เทศอบรมพระวันที่25มีนาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เหตุร้อนปลุกใจดีมากเทศเข้มข้นแต่ต้นกิเลสมันชุดลากจนไม่มีเนื้อหนังติดตัวถ้าไม่มีธรรมคอยรังไไว ร่างต้องแตกกระจายเป็นผุยผงไปนานแล้วการไม่รับนิมนต์ให้พระไปฉันในที่ต่างๆก็เพราะรักสงวนพระให้ได้บำเพ็ญธรรมด้วยความสะดวกการก่อสร้างถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ให้ทำเทศต่อไปอีกในหน้าเอดุคนด้วยความไม่โกรดนั้นดุได้ด่าได้ถ้าใจมีความโกรธอย่าไปดุดา่า กันนี้ให้ใครได้เฉพาะเทศสองตอนตอนพูดห้ามอัดให้ใครในหน้าเอแต่ฟังได้การคุดอะไรไม่เท่าฝุกผิดต้องเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายหิแเราเคยทำมาอย่างนั้นด้วยไม่ใช่ามาสัางามมดด่งสอนเพื่อ อย่างเปาๆแบบที่เราทําอย่างหนึ่งแล้วมาสอนหนึ่งเราทําอย่างนั้นไม่ได้เราสอนอย่างนั้นไม่ได้เราไม่ทําอย่างใดไม่รู้อย่างใดแล้วมัมาสอนหมู่อย่างนั้นไม่ทําอย่างนั้นไม่สอนวิธีทําอย่างนั้นไม่ได้บอกว่ารู้อย่างนั้นเห็นอย่างนี้แล้วไม่นํามาสองสอนหมู่เพื่อนีเราเอาจริงเอาจังทุกอย่างเคยได้พูดให้ฟังแล้วพูดเพื่ออะไรแล้วไม่ได้พูดเพื่ออวดบวญพาประโยชน์อะไรดีกับชั่วไม่มีการจะรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราบวญหาประโยชน์อะไร พูดเพื่อให้เป็นคติ <Okay. S 1> พเพื่อให้เป็นข้อยึดสําหรับผู้ตั้งใจมาศึกษาคนก็ได้คติในแง่ใดก็พูดไปํามเรื่อในแง่นั้นๆพ็จะให้เป็นคติแก่ผู้ฟังแล้ว <Okay. S 1> นำไ ป, ไปปฏิบัติ <Okay. S 1> พิเลรนเป็นของเหนียวแน่นมากก็พูดอยู่แล้วไม่มีอะไรจะเหนียวแน่นแก่นที่แข็แขงแกร่งที่สุดไม่มีอะไรเท่าพิเลนสู้พิเรนไม่ได้ถ้าไม่ใช่ทําแล้วไม่มีอะไรจะปราบพิเรนได้ลงเลยพ <Okay. S 1> ระพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้ ไม่ใช่จะมาทําเอาตามใจชอบจิตใจปล่อยให้เร่ยหล่อนมีความสุขสนุกสบายแบบโลกโลกเขาบางท่านที่เราต้องการทำซึ่งเป็นผลที่ผิดแปลกจากโลกเขาความสุขที่ผิดปลกจากโลกเขาแต่ทําแบบโลกโลกเขามันเป็นไปได้ยังไงเหตุผลไม่ได้อํานวยอย่างนั้นนี่เราต้องจริงต้องจังเลยทำอะไรมันจะตายจริงในเรื่องฝึกหัดจิตใจก็ให้เห็นดีไม่ให้รู้ที่าผูุ้ฒิยศองค์ใดบ้าง ที่สอนสาวกทั้งหลายแล้วพวกองค์ก็ตายเพราะการฝึกกิจเฉยเฉยเลยว่าผลไม่ได้มาผลนิพพานเลยสาวกองคใดบ้างที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่โยมสอนแล้วตายไปเลยหามาผลนิพพานไม่ได้ทั้งๆที่ปฏิบัติตามหลักธรรมที่โยงสอนสะสมแล้วโดยชอบปฏิบัติโดยชอบก็ไม่ปรากฏมีนิจตัดกรางมาผลนิพพานเต็มภูมิเต็มภูมิเต็มภูมิแล้วเรามันตัดกลาแต่ความเหลวไหลมันไม่ได้อะไรเป็น เกี่นเป็นสาแล้วจะเอาอะไรไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของหัวใจถ้ามีธรรมเป็นหลักนั้นแต่ล้วหาความสุขไม่ได้โลกอันนี้เราจะไปหวังว่าอันไหนจะมีความสุขที่ไหนจะมีความสุขที่ น, น, นั่นจะมีความสุขวัตถุนั่นจะมีความสุขสิ่งนั้นจะมีความสุขในโลกนี้มันเท่านั้นแหละถ้าว่ามีความสุขแล้วโลกนี้จะเป็นความสุขมานานแล้วไม่ต้องสอบแข่งหาทําให้ลําบากอีกหลายด้านหลายทางเพียงสอบแส่งหาทางโลกเป็นความสุขพอยแล้วก็ไม่จําเป็นเกี่ยวกับโลกทำเลย แต่นี้ทําไมทํากับโลกถึงแยกกันไม่ออ ก, กเพราะเพราะทำเป็นผู้ช่วยฉุดลากเที่ยวล้างคงไปล้างออกไว้จิตใจมันเลยถดเสมอเพราะจิตใจะเป็นโลกคำว่าโลกปัญหาประมาณไม่ได้ยิ่เรศหาประมาณไม่ได้มันถุดลากคนไปอยู่ต่อหน้าต่อตาทั้งวันทั้งคืนดินเดินนั่ ง, น อ, งนอนทุกเพศทุกวัยแม้แต่นักบวชเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติมันยังถูกมันฉุดฉุดลากตลอกปอกเปิดไปแล้วยังไม่ทราบหรือเวลาไม่ทีหลอดนี่เรน ถูกลากไปจนตลอดเปลอกปอเปิดเ่าธรรมดาแล้วไม่มีหนังติดตัวเมื่อติดตัวก็มีมันเปิดอยไปหมดแล้วพ่อขี้เหล็กมันถุดเอามันมันถดมันลากไปน่า แ, แต่กระดูกก็จะขากระจะรจายไปหมดแล้วมันมีอะไรติ ด, ดล่างเราให้เห็นเป็นสัตว์บุคคลเป็นเท้าเป็นเลนอย่างนี้เลยเรายังไม่ทราบอยู่หรือว่าขี้เหล็กมันเก่งขนาดไหนแม้แต่เดินยังคงมันก็ยังลากออกไปได้นั่งภาวนา ย, ย่งมันก็ลากไปได้ด้วยความแหลมคมของมันเพราะความทื่อของเราความเซอร์ของเรา ถ้าติปัญญาไม่ทำดูที่หัวใจมันปรุงเรื่องอะไรมันมีเรื่องอยู่ที่หัวใจเท่านั้นพิจารณาให้มันลงถึงทงถึงความจริงเลยวันนี้มันจะปรุงเรื่องอะไรต้องข้อสังเกตอยู่กับจุดที่รู้นั้น่ะมันจะแสดงความกระเพื่อมขึ้นมาให้เห็นจนหน้าถ้าสติมีอยู่แล้วความกระเพื่อมจะมีออกทุกระยะแห่งความปรุงนี่ได้ดูจนขนาดนั้น่ะไม่ใช่มาคุยให้หมู่เพื่อนฟังอย่างทุกวันนี้ก็ดูก็พิจารณาว่า ถึงจะไม่แต่ังจะถอดถอนอะไรก็ตามเอาพูดตามความจริงให้เต็มแม้เต็มหน่อยดิเวลาจะร่งับขันเวลาจะพักสงบไม่เกี่ยวข้องกับขันจะดีดจะดิ้นเป็นการรบกวนซึ่งกันและกันในระหว่างขันด้วยกันทําให้บอบช้ำครอบขังขันความตึงสัญญาความสั่งการมั่นหมายร่างับมันลงไปเพื่อให้มันสงบตัวขันทุกส่วนจะได้อยู่สะดวกสบายต่างอันต่างสบายทีนี้เวลามันมันจะดีดจะดิ้นออกมามันมันจะกับเพื่อบกเพื่อบกเพื่อบ สัญญากับสังขารนีละเอียดมากขึ้นกว่าสิ่งใดสันพิจารณาเขาไปจริงแล้สัญญายิ่งละเอียดมากขึ้นกว่าสังขารมันซึมชาบไปเลยสัญญานี่ซึมออกไปเหมือนกระดัษขึ้นแต่สังขารนั้นมีแยบสัญญานี่ซึมออกไปเลยพวามละเอียดของสัญญาไว้ท่านยึงตามทันได้ยากแต่อย่งไรก็ตามไม่เหนือสติปัญญาไปได้รู้ได้ทั้งนั้นถ้าตั้งใจพิจารณา มี้คยล้นละอยู่ที่ไหนก็อยู่นั่นประกอบการทำไม่ล้ำไม่ล้างจนพ้สะดวกสบายเมื่อไหรต้องการความสะดวกเดี่ยวก็เรื่องธานุเรืขันเมื่อไหร่ก็พักอิกสบายสบายไปวันหนึง่งวันหนึง่งดูมืดกับแยกไปอย่างนั้นแหละนี่มันเราไม่ได้ดูแต่เพียงในนั้นเที่ยดูกิเลสมันมันถุกมันลากมันไม่มีอะไรที่เห็นยิ่งกว่ากิลนลส มันแต่หลับสนิทซะอย่างอย่างเดียวเท่า น, นั้นมันไม่ทํำ ง, งานนอกนั้นมีแต่เรื่องของจิตทางา น, ถ, งงานถ้าติดปัญญาไม่ทําไม่ได้อพิจารณาไปนี้ตุขังอันนี้สัจอย่างมันมีอยู่ที่ตรงไหนมา้างมันเต็มสคมุลกายเต็มจิตใจคือสังขารทั้งยาเป็นผู้คุมผู้หมายขึ้นมายืนยาณรับทราบมาก้วนเข้ามาก้วนเข้ามาให้จิตเป็นภูร่าพาระอลักพาราแล้วไม่ ม, มีปัญญาขนาดตัดทิ้งมันก็กองในจิตหมด เราอะไรสนับตัดทิ้งอารมณ์ทั้งหลายที่มาทางตาทางหูทางจูทางลิ้นทางกายแล้วเข้าสู่ทางใจเป็นการกลึงกายเป็นธรรมอารมณ์ขึ้นมาจึงด้วนได้ตั้งแต่ที่เลดทางงานถ้าสติปัญญาไม่ทันมันก็ปัดออกไม่ได้ถ้าสติปัญญาทันแล้วอะไรมาสัมผัสพับมันก็รู้ทันก็ตกไปรู้ทันตกไปถ้ารู้ทันนั้นมันตกไปถ้าไม่รู้ทันนั้นมันก็ะตอกเรื่องของกิเลสตึงนั้นเราจะเข้าใจว่ากิเลสเป็นอะไรอมันก็คือเป็นเราทั่นแหละเราจึงได้สงวนเราแล้วขี้เกียจ ว่าเราจะลำบากเห็นไหมมันละเอียดขนาดไหนพี่เลยมันเป็นนอนทั้งตัวมันไม่ทราบจะแยกอะไรออกถ้าจะทําความเพียนบ้างมีความลําบากข้งนบนบ้างขอวลาลําบากการทำควาเพียรก็ไม่สะดวกเสียลําบากนอนจะดีกว่าเนี่ยพักไจะดีกว่าแล้วปล่อยจิตให้เป็นไปตามลําพังก็ดีกว่าถ้าว่าดีกว่าแล้วโรคทั้งหลายเขาไม่เคยรักษากิตเลยทําไมโลกนี้ไม่มีเจ็ตไปนานแล้วล่ะ มาบนทุกบนยากจะทาไมไปโลกไหนก็ไปที่ในทวีปไหนก็ไปในโลกมนุษย์เ่านี้จะไม่ยินไม่เห็นมนุษย์มานาศาทั้งหลายได้รับความทุกข์ความลำบากไม่มีมีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะกิเลสมันมีอยู่ทุกหัวใจสัตท์หัวใจบุคคลแต่ศัพท์มันพูดไม่เป็นมนุษย์เรานี่มันพูดไปนมันทุกบ่นเก่งนีม่มาบวนในศาสนามาปฏิบัติ ทำาฐานเพื่อจะชำระล้างสิ่งที่โกรกโรกสวมโอมออกจากใจทันเป็นบ่อแห่งความทุกข์แล้วทำไมจึงกลับเหียดค้านอ่อนแอที่เราฟังอะไรไม่จริงไม่จังเลีเล้ยวๆไหลๆเราพยายามที่สุดก็หมู่เพื่อนในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าพยายามอันใดที่จะเป็นไปเพื่อความสะดวกแก่นนเมื่ควรนั้นเราเสริมแม้แต่แขกคนที่จะมาเข้ามาเกี่ยวข้องนี้ผิดเวลาเวลาเราไม่ให้ไปไปเที่ยว แต่เตะเรร่อนทางโน้นทางนี้ไปดูสถานที่พระเนรพนายามเพราะจะไปทําลายความสงบของพระเราเป็นคนสั่งได้เองน่ะนี่ดูการในมูลไปไหนมาไหนเรายอมรับคนเดียวหมดผิดถูกประการใดตาหนิติชมเรายอมรับเอามาเป็นภาระทั้งหมดเพื่อหมู่เพื่อนได้รับความสะดวกสบายจะหาที่ไหนอีกไม่ใช่เราคุยให้เป็นกังวลอะไรทั้งนั้นการก่อการสร้างวัตถุทั้งหลายซึ่งเป็นสิีงกอบกวน จิตตภาว น, นา น, นล้วเราก็ระมัดระวังมากหากวมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างต้องทำก็ให้มีเหตุมีผลไม่มีราะมีกฎเกณฑ์มีข้อ บ, บงังคับไว้เป็นขอบเขตอยู่เสมอไม่ให้เลยถดแห่งความจาเป็นนั้นมีการปฏิบัติมาอย่างนี้ตลอดเราเพื่อหาความสะดวกแก่เรู่พ้วยแล้วเวลาไหนที่มันไม่ว่างัพิจารณาสิปฏิสมาก็เดินจากรมไป กำหนดพิจารณาไปตามอารมณ์ที่เจ้าของเคยทําหน้าที่เจ้ของที่เคยทําไปกี่คนก็ตามมีองค์ก็ตามหน้าที่ของกายเราดําเนินปฏิบัติไปตัวไปแล้วก็สร้างถรับบาปเป็นภาวนาไปตลอดทั้งไปทั้งกลับอาจจะมีบ้างเถิดบ้างอ่าบ้างกรอบตอนที่จัดนั้นจัดนี้มันยุ่งเหยิงบุ่นวายหลายอย่างนั้นก็ขาดไปบ้างหลังนั้นแล้วก็ต่อให้ทําความภาคเทียน จนกราทั่งถึงเวลาปัดกว่าดจะเอาเวลาทเท่าไหร่ก็ได้แล้วการข้ามกลา ง, งคืนอีกถ้ามีการประชุมก็ไม่มีอะไรยุ่งกันถ้าต่างองค์ต่างพนักงานรับความสะดวกสบายผมพยายามที่สุดที่จะให้มุญเพื่อนหนึงบำเพ็ญความภ า, า, า, าคเพียรนั่นเป็นเม็ดเต็มหน่วยทา้งน้านติดใจเข้าใจเป็นของสําคัญทำภายในใจที่เกิดขึ้นกับใจเป็นของสาคัญเป็นสมบัติสําคัญมากยิ่งกว่าสมบัติอื่นใดใจมีหลักเกณฑ์แล้วอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายการปฏิปทาคือเครื่องนําเลย ก็เป็นไปพวกควาราบรื่นดีงานสมังเสมอไฟอะไรมานี่ยไปดูสินั่นยังได้ยินเสียงรถด้ก็มองไปนี่ครับดีถ้วม <c oughs> ันหนักมี <c oughs> อะไรรู้แหละอํางัญญยาอธิบายหมุดก้อนคำัะท่านนี้แหละทำด้วยความขี้เกียจ ถ้าไมทําก็ไม่เห็นความขี้เกียจแต่ทำแล้วประกาศความขี้เกียจออกมามันน่าเสียดางไม่เลยเป็นวัดของใครวัดของเราทุกคนคํจาจัดยิ่งเลือกสรรหาด้วยข้อวัดปฏิบัตินี้่พื่อกันทุกคนพระพุทธเจ้าทรงมัญญัดไว้เพื่ออะไรข้อวัดเราข้อเพื่อเราผู้มียิ่งเลือเป็นหัวใจอยู่นี้ ที่ไหนการดินมันควรจะเบามือก็ให้เบาปัดกว่าที่ไหนกวรหนักก็หนักยังเรียกว่าท้ายปัญญากวาดขูดไปหมดจนเป็นหนนลุมเป็นบ่อไปหมดก็ดูไม่ได้นั่นคือขาดปัญญาความค่อยควรสักแต่ว่าทำํำพอให้แล้วมือก็เอาใช่ไม่ได้เลยเราทำจริงนี้เราทําเพื่อเราต่างหากพรุงคก็วาดบรรจักรไว้เพื่อเราไม่ได้บรรจักรไว้เพื่อใบไม้เพื่อลานวัด แต่ทำไมเราจึงจะต้องไปทํารานวัดเราอยู่กับสถาน ท, ที่ใดเรารักษาสถานที่นั้นเพื่อเป็นการรักษาเราอยู่ในตัวให้เราทราบวว่าสิ่งเหนี้มีความจําเป็นต่อเราอย่างไรบ้างไม่งั้นก็จะเห็นไม่เห็นความจำเป็นตงตัวเองเลยและสิ่งภายนอกก็เลื่อนเลือะเทิบไปหมดเพราะไม่เห็นความจำเป็นของตนแล้วสิ่งใดๆก็ไม่จําเป็นทั้งนั้นเพราะเหลีวแหลกภายในปิดไกั ถ้าจำไว้ให้ดีผมสอนจริงๆสองหมู่สอนเพื่อนขอห้สใจนะครับไว้แต่และองค์งงนี้ผมรับจริงๆด้วยเหตุด้วยผลสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิความสามารถที่จะสั่งสอนได้การดูหมู่เพื่อนภายในวัดนี้ซึ่งเป็นเหมือนอวัยวะของผมผมดูอย่างละเอียดที่ถ่วนทุกอย่างเต็มทุกสิ่งกำลังความรำมันของผมที่ยวดูผมไม่ได้สนใจผมเคยพูดเสมอ ออกนอกวัดไปแล้วใส่แว่นตาดำไปเ ล, ย ไ, ลไยไม่สนใจร้ายขั้งทีดีข้้งใครไม่สนใจเพราะไม่อยู่ในความรับผิดชอบเราไม่ใช่ผู้ที่ให้อุปวัตสังสอนใครเรื่องของเขาส้บัตรของใครของเราแต่นี่มูม่เพื่อนน้อมกายวาจงใจเข้ามาเพื่อเราเป็นภาระอาจารย์โยมีพันเตหหีนี่ก็รับลงอุปายิกังปฏิบกรังปะท่าดเกลิสัมปารี เป็นอันว่าพร้อมแล้วทั้งสองฝ่ายตามหลักธรรมหลักวินัยเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องสั่งสอนหมู่เพื่อนให้เต็มเม็ดเตหน่วยอันใดที่เป็นหน้าที่ของตัวเองสอนให้เต็มผู้ในวะ่าการสงข้อสงหาสิ่งใดที่มีอยู่ในวัดนี้ไม่ต้องมาขอบอกว่าเป็นของทุกคนผมไม่เคยที่จะสั่งสมอะไรแม้ต่นิดหนึ่งภายในจิตใจเลยพูดโกงๆอย่างนี้เพื่อหมู่เพื่อคณะทั้งนั้นเรารับด้วยอย่างนี้อีกลับหมู่เพื่อนถ้าพูดถึงเรื่องรัก เรื่องสงวนก็เหมือนอวัยวะอังคบเองเพราะฉะนั้นความเคลื่อนข้าดอะไรในพระบรรดาพระเนรที่มาอยู่กับผมทั้งๆ ท, ที่ไม่น่าจะเคลื่อนข้านี้ยิงรู้สึกสะดุดใจมากนั่นไม่อยากเห็นเพราะเป็นความเสียของผู้นั้นเองเป็นความบกพร่องของผู้นั้นเองทั้งๆ ท, ที่มาศึกษาและสิ่งอยาบๆทำไมจึงบกพร่องได้เนี่ยทั้ง่าความบกพร่องก็มีหลายแี่หลายกระทง อย่างหยาบก็มีอย่างละเอียดก็มีถ้าอย่างละเอียดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้ายางหยาบหยาบนี่นี่มันดูไม่ได้ไม่นควรจะบกพร่องไม่นควรจะผิดพลาดตายแต่ผิดพลาไปนี่ดูไม่ได้พลาดกันฟังอย่างถึงจใจไปปฏิบัติให้จริงให้จังทุกสิ่งทุกอย่างเอาให้เราลงสีมาผลนิพพานจะไม่มีจริงหรือเราจะเป็นโมคฆะพิสุไปอย่างนี้ตลอดไปเหรื อ, อรรสิงห์ธมาที่ปัญญาพระโอษรไม่เพื่อใคร มากผลนิพพานสอนได้นก็ใครถ้าไม่สอนได้เพื่อผู้ปฏิบัติเป็นสามีกี่คนหรือเป็ น, นธรรมานิธรรมะปฏิปันโนผู้ปฏิบัติสมควรแก่ทำจะเป็นผู้บูชาถากดและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่จะทรงไว้เึื่มักผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจนี่แหละทำเหล่านี้ไม่จะเป็นธรรมที่ได้กดกิเลสเป็นธรรมที่เหนือกิเลสทั้งนั้นถ้าเราจะเฟื่องขึ้นมา เพื่อปราบวิเลศภายจิตใจของเราปราบได้ทั้งนั้นไม่มีการไม่มีสมัยใดที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการคปฏิบัติด้วยความดีงามตามหลักของศีลสมาธิปัญญานี้ถ้ากันตั้งใจปฏิบัติหเห็นที่มาผลนิพพานอยู่ที่ไหนเวลานี้สอนอย่างเฉยเคยประโยชน์อะไรเหมือนมาพูดเล่นว่าสมาธิคือความสงบใจสงบยังไงทำยังไงใจเองสงบหยุไม่เคยบังคับตนให้พอมัน กิเลสจะดิ้นบ้างเลยไ อ, อเราดิ้นตายซะก่อนแล้วกิเลสจะไม่ดิน้นประกอบความพากเพียรนิดหน่อยกลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายแบกตั้งแต่ความตายตลอดเวลานั่นนะพราะมันมีเวลาที่สลัดได้ถ้าสลัดกิเลสไม่ได้ก็สลัดความตายไม่ได้ถ้าสลัดกิเลสไม่ได้ก็ส ล, สลัดความทุกข์ไปไม่ได้เพราะงั้นทุกก็ทุกข์ทุกเพื่อจะถอดถอดนกิเลสออกจากหัวใจเหมือนกันถอดหัวน้ํามออกจากฝ่าเท้าแบเนี้เอาทุกข์ก็ทุกข์ไปเมื่อจะปล่อยหัวน้ํามมัน ฝังจมอยู่ในเท้านี้แล้วมันจะเลอะไปหมดเสียไปหมดทั้งเท้าและอวัยวะส่วนอื่นพอเสียไปด้วยนะั่นเมื่อเป็นอย่างนั้นเจ็บขนาดไหนก็ต้องเอาออกเจนได้หัวหนามนั่นเนี่ยเจเลนมันจะลึกขนาดไหนมันไม่เลยพุ่งหัวใจถอนออกมันจนได้นี่มันจะทําให้เสียไปหลายภพหลายชาติมีแต่ความทุกข์ความทรมานเราเคยมาแล้วตั้งแต่ในชาตินี้ก็พออยู่แล้วไม่ต่องไะหาเรื่องอดีตอ น, นาคตทีนน่ไหนฝังลงที่ใจนี่เป็นปัจจุบันนี้แล้วมันจะกระจายไปหมด รื่ อ, อดีตแลนะอนาคตขอให้กําหนดค่าที่เด็ดรวมตัวลงไปรวมตัวลงไปเถอะเราจะเห็นเรื่องพบลงชาติทุกอย่างอยู่ในหัวใจนี้เลยโดยไม่ต้องไะคาดไปคเนใครจะพูดที่ไหนไม่ต้องสนใจขอให้รู้ด้วยปัจจตังของเราเนี่พระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าปัจจตังนี้ตัวโบวิยูหี่นะฉันพิสิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองเนี่ยแล้วสอนใครถ้าไม่สอนผู้ปฏิบัติคือพวกเราเนี่ยขอให้จริงให้จังเลย มันทำไมมันไม่สงบจิตเป็นพ่อเหี่ยวไหลเป็นพ่อปล่อยเป็นพ่อลอยลงตั้งหน้าตั้งตามุ่งบงังคับเอาให้มันจริงมันจังให้มันเห็นเหตุเห็นผลเอามันจะคิดไปไหนตามมันจริงจริงนี่ถ้าตั้งหน้าตั้งตาตามความคิดที่ความคิดก็ไปไม่รอดนะเพราะเห็นผลตามต้อนจนได้แล้วสงบตัวเข้ามามีประการหนึ่งหลายประการคําว่าปัญญาพรหมสมาธิคือปัญญาไปต้อนจิตที่มันขึ้นขนองห้าห้ข้อ ความสงบหมอบราบเป็นความสงบขึ้นมาถ้ากิเลสมอบเท่านั้นมันก็เป็นความสุขเป็นอย่างสมาธิก็คือกิเลสมันสงบตัวเห็นได้กิเลสที่สงบตัวสงบตัว ด, ด้วยอารมณ์แห่งบริกรรมภาวนาด้วยความมีสติอืึสงบด้วยวิธีการปราบกิเลสด้วยปัญญาให้ทันกับมันมันสงบได้ทั้งสองอย่างแต่ปัญญานี่เป็นสิ่งที่อาศจรรย์มากเวลาปราบลงได้แล้วแล้วได้คติได้ตัวอย่างอันสําคัญสาคัญ นั้นการถอนกิเลสถอนกิเลสบางประเภททั้งถอนได้ในขนาดนั้นด้วยก็มีแต่เป็นที่เข้าใจเป็นหลักของใจในการปฏิบัติต่อไปตัวตัวเองเกิดความกล้าหาญฌานชัไยไม่สะทกสถานเมื่อปัญญาได้เดินถึงไหนได้เข้าใจถึงไหนแล้วเป็นการส่งเสริมสติกําลังหรือความสามารถของเราความอาาตัตานของเราให้เพิ่มขึ้นโดยลําดับนั่เนเองการสงบในขั้นสมาธิธรมรมดาด้วยการรวมสมถะเป็นอีกอย่างหนึ่งถึงการที่จะช้าปัญญาเพราะฟาดลงไปเลย เราสงวนไม่ทําใหม่เองให้จริงให้จังเราอยากได้ยินหมู่เพื่อนพูดถึงเรื่องสมาธิเป็นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนี้เหลือเกอินนะอยากฟังสมที่เราตั้งใจส่งข้อมูอเพื่อนด้วยความใส่ความจริงที่ได้เข้าใจปฏิเพราะการปฏิบัติมามากน้อยเพียงไรได้ทอดออกมาหมดไม่มีการลี้รับแม้แต่น้อยนแน่น้อยหนึ่งเลยข้ามูเอเพื่อนเพราะอยากเห็นภาพที่สมมติสงผลนิพพาน ภายในใจเราได้ยินตั้งแต่ข่ินแต่ข่าวทัางพูดในข้างพุทธการองค์ น, นั้ น, า น, น, นสานนนเาร็จมาผลอยู่ที่นั่นองค์นั้นสําเร็จโซดาอัคนั้นสําเร็จสกีทาองค์นั้นสําเร็จอรหัสละหันอยู่ที่เขาลูกนั้นอยู่ป่านั้นอยู่ในถ้ำนั่นถ้านี้องค์ น, นั้นออกมาจากสกุลนั้นอง น, นี้ออกมาจากสุลพระชามาขาขาษัตจญเศิษยีกุลปีพ่อค้าประชาชน คนธรรมดาออกมาแล้วสำเร็จมาผลมพานิีพานเหมือนกับท่านมาตักเอาตั ก, กเอาความจริงท่านทําแทบตายด้วยกันนม่เลยเราไม่เห็นประโยคแห่งความเพียนนู่นท่านเราไปมองตั้งแต่ต้นไม้ที่ดอกผลขึ้นมันน่นเราไม่มองดูต้นทั้งมันว่ามันรับอาหารอย่างไรที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงลำต้นพอที่จะผลิดอกออกผลขึ้นมาให้รับน่ะเราต้องดูลําต้นของมันสิต้นไม้ประเภทนี้มันทอบปุ๋ยชนิดใดาอาหารชนิดใดเนี่ยมันถึงจี่ลิดอกออกผลหนกหนาหารเนี่ย แล้มะพรุนิพพธนก็ต้องอาศัยปุ๋ยคือความภาคเพียรเหมือนกันอชนิดใดปุ๋ยชนิดใดความเพียรประเภทใดอประเภทหนุนด้วยสติประเภทหนุนด้วยปัญญาหรือประเภทหนุนด้วยความสมาถะแล้วก็พิจารณาที่มีแต่ปุ๋ยเท่านั้นที่จะหล่อเลี้ยงมะพรุนิพพานปรากฏขึ้นภายในใจิตใจยินแต่ขาวไดนนี้เฉย หาเราไม่ได้ยินเลยจะว่าไงทรงผ้าเหลืองไม่พอเปล่าเสียงก็ดีนแต่ชื่อว่าเสียง ม, มันเป็นข้อหนักแน่นภายในใจเลยสามาที่จหาความหนักแน่นหาความสง บ, บเย็นสป็นถูกไม่ได้แล้วทําไงมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้ยังไงมรรคหมายว่าทางและเมืองที่ถูกต้องแล้วไม่ว่ามรรคขั้นใดผลก็คือว่าสิ่งที่ยอมรับกันแล้วจากมรรคคือเีุ่ ในปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้วเป็นลําดับๆจนกระตั้งเพ่งอาหารตผลพ้นไปจากมรรคปฏิวธานี้ไม่ได้เลยแล้วทำการปฏิบัติอย่าไปคานึงคํานวณขาดโน้นขาดนี้ว่าผลพานอยู่ที่ไหนที่ไหนพวกมันอยู่ที่ไหนเวลานี้พุกซึ่งเป็นตัวผลนั่นเกิดขึ้นจากกิเลสมันผู้ผิดขึ้นมามันอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็อยู่ที่นั่นเองมันผิดขึ้นมาที่นั่นผิดขึ้นมาที่ดวงใจค้นลงไปที่ตรงนี้ เป็นก็เป็นตายก็าตายทิงข่าวที่จะมอบกันเอากันเต็มเม็ดเต็มหน่อยแล้วฟาดกันลงไปอย่าถอยหลังนั่นเรื่องที่เว่าลูกศิษถาคตไม่มีอันใดที่จะเลิศในโลกนี้ยิ่งกว่าจิตที่ต่อสู้กับกิเลสด้วยปัญญาแล้วได้จิตเป็นมหาสมบัติอันบริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจอาที่นี่ชมไปจนอนันตการไม่ต้องมายุ่งเหยิงวุ่นวายอีกแล้วงานนี้แม้จะเป็นงานหนักก็มีเ ว, มเวลาที่จะยึติกันได้ไม่เหมือนงานทางโลก โลกหนูใครเกิดมาก็ทำอย่างนั้นแหละตั้งแต่เล็กจนโตจนกระทั่งตายไปแล้วงานก็ยังไม่ว่าตายจากงานจากการไปส่วนงานอันนี้เอาทําลงไปหนักขนาดไหนพลาดลงไปเวลาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเลิกแล้วกันจริงๆไม่มีกิเลสตัวใดที่จะมาเอาะควรจิตใจให้ดต้องทํางานเพื่อตอบ้อนกิเลสนั้นอีกต่อไปได้ถ้านยิ่งได้บอกมุชิตามพระมจจริยังพระมัจจริย์ได้อยู่จบแล้วเนี่ยท่านบอก คุณง่ายว่าจบงานแล้วงานเพื่อป ร, บราบปรามนิสสตอสิเดชจึงจบสิ้นลงไปแล้วด้วยประโยคความเพียรอันสุดท้ายอันนี้คือมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญากระตันเลยอย่างสิ่งที่ความเพียรที่ควรจะทํางานที่ควรจะ ท, ะทําได้ทํำสำเร็จร่วมลงไปเรียบร้อยแล้วนาปรังอิสตาญ า, าติปชานาติเกศอื่นที่จะต้องทําให้ยิ่งกว่านี้งานอื่นที่จะต้องทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มี งานที่ยิ่งที่สุดทุกที่สุดลําบากที่สุดก็คืองานอันนี้ผลเทเลิที่สุดก็คือผลอันนี้หนักลงตรงนี้นพูดระยะในอาทิตย์ตะปริยสุดก็มีอนัตตะลักษณ์สุดก็มีในธรรมจระจักรพรริัรตนัสุดก็มีพันพูดถึงเรื่องผลต้นทัางเราพูดถึงเรื่องเหตุเนธรรมะจักรพรรดิสุด ที่งนงควบบรรณาเรวดูข้างอะไรสัรจจังชาติไปดูฆ่าชราไปดูฆ่าเนี่ยจนเห็นทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรก็บอกไว้เวลาเกิดทุกเวลาเกิดพบ ก, กับเจ้าของเราทุกข์มันเกิดเป็นทุกข์ฆ่าไิดูฆ่าสิเกิดก็เป็นทุกข์ชร า, าก็เป็นทุกข์มานาม้ำิปดูขังเวลาสตายก็เป็นทุกข์เลยมาบอกเนี่ยทุกขั ง, ขงกันบอกว่าทุกข์ขังเป็นอย่างนี้ นี่ท่านบอกตั้งแต่เพียงร่างกายนะั่นนี่นะความเป็นทุกข์ใจซึ่งแนบอยู่ในนั้นท่านอธิบายแต่ให้บุ้งสร้างว่าใจนั่นแหะเป็นตัวกวนกวายที่สุดเลยในขณะคนจะตายไม่มีสติสตังยับยั้งไว้แล้วเป็นบ้าไปเลยเพราะความทุกข์มันหลือกบ่าก่อลางเหลือเหนือสติเกินกว่าสติปัญญาที่จะตามทานันติตในวันที่จะตั้งทานทูกด้เขาถึงได้ยกว่าชาติพิคุขาชาติหรือคาว่านําไปดูคขังถ้ากุ่สรุปความแล้ว สร้างจิตเตรนะปัญญาปารณาขั้นทาดูค่างังเมือสรุปความลงแล้วก็คือขันท้งห้าเป็นกล่องโกขันท้งหัาถงมีจะมีอะไรก็รูปประขันเป็นน้ำขันเวทนาขันแสดงตัวขึ้นมาต่อไปก็เหมือนกันติดนึ่สมุทัยก็ ยาลังตะาปุโภเพยการนันดราฆาตสหกตาตัตตราทินันดีนี่ตัวผิดทุกขึ้นมาการมตถหาเพราะว่าสนามยิววัตนหาไปมนตั้มขัดก็บอกแล้วที่สามนิโรธยโยตัศ่ายิวตัตหายาเซสวิลกะยิรากาิโรทัดมิโรมิโริราโคจากโคเนิสุโคมุติอันนาละโยตัดไปหมดนี่เียตประเภททั้งสามนี่ ตัดเอาหมดเป็นอนารยฬุหาความอะไรนั้นได้นี่นิโรธมากกระเสยุ่ดดังคืออะไรท่าก็บอกแล้วทําไธิสมาธิสมาธิโจรกระตั้งสมาตินี้เครื่องมือปราบพิเล็ศน่ะท่านบอกว่าเป็นตอนคนตอนเป็นตอนในอริยจักรหรือว่าในธรรมจักรกับพระราสุ <c oughs> ทำงานอะไรอย่างนั้นะ แตวิธีการที่จะปฏิบัติต่อถิ่นวันนี้เราจะปฏิบัติอ ย, ย่างไรก็อย่างที่อธิบายให้ฟังค้นลงไปให้มันเห็นเรื่องความทุกข์นั้นมันจะทุกข์มากน้อยเพียงไรขอให้เล็งความจริงยาเล็งถึงเรื่องทุกข์ว่าเป็นทุกข์ต่อเรามากน้อยอย่างนั้นจะไม่เข้าใจในวิธีการปรึกณาทุกข์ให้เห็นความจริงทั้งตัวสมุทัยคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญปิดที่จะทําให้ทุกข์กำเนิดรุนแรงขึ้นมาแล้วจะเกิดความท้อถอยเพราะสติปัญญาไม่ทันค้นตามความจริงมันลงไปทุกข์นี้มากน้อยเพียงไร คอเห็นตามความจริงของทุกมันเกิดขึ้นจากอะไรมันอาศัยกายเกิดขึ้นเหมือนกับว่ากายนี้เป็นเชื้อไฟอย่างฟืนเป็นเชื้อไฟไฟเหมือนลุกไหม้ฟืนนั้ น, น, นแล้วแสดงเปลวออกมาความร้อนออกม า, าเป็นทุกเวทนาอา้าวปัญญาที่พิจารณาสอดแทรกไปให้มันเห็นทุกแง่ทุกมุมดูให้มันเห็นชัดว่าอะไรเป็นทุก เนื้อหรือหนังหรือเอ็นหรือกระดูกหรือส่วนใดเป็นทุกข์ดูให้มันเห็นชัดเจนแล้วแยกมาดูตัวทุกข์อีกทุกข์มันเป็นรูปลักษณะอย่างไรมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปลักษณะหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นมันเป็นรูปเป็นลักษณะวิสันวันนะมันผิดกรรมนคนละอย่างละอย่างแยกดูให้ดีให้มันเห็นชัดเนี่ยแยกกายแยกเวทนาให้เห็นชัดอย่างนี้แล้วใครเป็คนไปสําคัญมันหมายไปยึดมันทิ้งเห่านี้มันมีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมา ตายแล้วเอาไปเผาไฟก็แล้วเอาไปฝังดินก็แล้วมันไม่เห็นร้องเห็นครางอะไรเพราะตัวทุกข์ไม่มีเนื่อจากจิตไม่มีแต่อาการอันนี้มันเกิดขึ้นจากกิตทุกขเวทนาเมื่อจิตพิจารนารู้อาการของตัวเองแล้วมันก็ปล่อยจิตหลงอาการของตัวเองนะพอเข้าใจแล้วมันก็หดตัวเข้ามากายก็เป็นกายเป็นความจริงอันหนึ่งเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตก็เป็นความจริงอันหนึ่ง ด้วยการพิจารณาชอบแล้วโดยทางปัญญามีต่างอันต่างจริงเข้าทําลายอะไรกันไม่ได้ทิงถึงทุกขจนขนาดที่แบบมันจะแตกไปในขณะนั้นก็ตามจิต ก, ก็ไม่หวัน่นเพราะต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันนี่เราจริงด้วยปัญญาจริงอย่างนี้นี่ท่านว่ามัชชิมาปฏิปทาและทุกก็ดับไปทุกทางใจดับไปส่วนทุกทางร่างกายมันจะดับไปก็ไปเรื่องมันมันไม่ดับมันก็มีอยู่ตามความจริงของมัน ส่วนทุกข์จะเกิดขึ้นจากส ม, ทมุทัยนี่ดับเช่นสัญญาอารมณ์ความสำคัญมันหมายว่าทุกข์เป็นอยู่ที่ น, นั่นที่นี่นี่ดับทุกข์ทางใจก็ดับเพราะหน้าของปัญญาพิจนาอย่างนี้เวลาพิจนาให้มันเห็นตามความจริงมันจะเป็นขนาดไหนยาไปกลัวตายเความตายก็เป็นศาสตจธรรมอันหนึ่งอะไรตายปศหาเรื่องความตายอีกนะ นินน้ำลงไปเวลาแต่งไปอยู่ในร่างกายเหล่านี้คือดินน้ำลงไปประชุมกันเวลาแต่งไปแล้วน้ําไปเป็นน้ําลมไปลมไปลมไปใจก็เป็นใจยิ่งเด่นยิ่งชัดขึ้นมาแล้วใจมันตายได้ยังไงดินนาำลงไปมันก็ไม่เห็นตายสลายจากความผสมนี้ลงไปก็ไปสู่ท่าเดิมของเขานี่มันโกหกกันแน่พร้อมเข้าใจถึงใจแล้วเป็นนั้นแวโอ้ยมันโกหกกันนะพูดทั้มันถึงใจความจริงก็ไม่มีใครโกหกใครแล้วก็พูดด้วยความรุ่งโรจน์ทั้พันทั้งตนด้วยกันทั้งนั้นแหละ ม, มีเจตนาที่จะโกหกกันแต่เวลาเราพิจารณาไปเห็นความจริงอย่างกระจักในใจแล้วมันนอุดทานขึ้นมาพันธกิจโอ้ยนี่มันโกหกทันกลัวตายมันกลัวอะไรมันกลัวลมกลัวแรงนี่บังเมื่อเป็นเช่นั้นแล้วเอาจะตายก็ตายสนะิความจริงมันอยู่กับหัวใจนี่แล้วอะไรจะตายก็ตายหัวใจมันไม่ตายมันยิ่งรู้ชัดเแต่รู้จักเจนขึ้นมาอาหานท่าทางทีเดียว เราได้ไปฏิบัติแล้วถึงสามารถพูดให้หมู่เพื่อนฟังที่อย่างเต็มหัวใจเต็มปากด้วยเพราะเคยพิจารณาแล้วเวลามันรอบมันรอบจริงจริงเมื่อมันได้รอบถึงขนาด น, นี้แล้วไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์เท่ากิจกาก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาเอามันจะดับก็ดับไปเวทนาทางร่างกายมันไม่ดับมันก็อยู่ที่นั่นไม่สามารถที่จะเข้าแทรกเขียจิตใจได้เลยจิตก็เป็นความจริง อันหนึ่งเวทนาเป็นความจริงหนึ่งกายเป็นความจริงอนหนึ่งต่างอันต่างจริงต่างอันก็ไม่กระทบกันเพราะต่างอันตา่างจริงประการหนึ่งประการหนึ่งเวทนามันก็ดับขหมั่นไปจิตก็ระงับการคิดการปรุงอะไรอยู่เป็นเอกเทศของ ต, ตนโดยความประพันในตัวเองและอาหารด้วยในขณะนั้นสง่าผ่าเผยเต็มที่เพราะจิตได้ถึงความจริงด้วยปัญญาต้องมีความสง่าผ่าเผยมีความอัศกรราหารคลอนขึ้นมาแล้วก็ยังมีความกระยิบยิ่งย่งยองอยู่ตลอดเวลา มีอำนาจของปัญญาทำให้เกิดความกล้าห า, าญการใช้ประยุกต์เนี่ยเพราะนักปฏิบัติที่ได้เห็นความจริงแล้วจริงไม่ถอยหลังตายก็ตายเธอน่ะข้อความตายได้พิจารณาแล้วอย่างรอบครอบหนึ่งความตายเป็นของจริงตามหลักธรรมชาติสองความตายมันมีอยู่ที่ไหนวะจิตมีกัจฉาที่ไหนจิตพู้ที่กลัวตายกลัวตายมันไม่เห็นตายเนี่ยนะมันยิ่งรู้ยิ่งเด่นมันตายได้อย่างไรรู้ชัดอย่างนี้เพียงเท่านี้ก็ได้ละ่ะ ถ้าลงเราได้พิจารณาได้หลักสักวันหนึ่งเท่านั้นที่นี่จะอาฐานเต็มที่ที่ียวเรื่องความตายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวความจริงที่ประจักษ์ด้วยปัญญานั้นเป็นเรื่องใหญ่โตมากมีความอาฐานมากมีความอสง่ารผ่าเผายมากทีเดียวถึงเวลาเป็นจะเป็ น, จ ะ, ปนจะตายนี่ก็มากะทบกระทานนี่เป็นหลักปัจจุบันที่เป็นศักดิพยานกันด้วยการพิจารณาเห็นชั้นแล้วเวลานี้ เวลาตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราว่ามันก็เวทนาเรื่องเรื่องเวทนาเหล่านี้ะที่จะดหรือที่จะอยู่เวลานี้เราได้พิจารณาแล้วรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาของเรามันจึงไม่จะตกตะพันขนาดสิโลจะหมดลมหายใจมันก็ไม่จะทกตะพันหมดไปมันก็ไม่จะตกตะพันเพราะไม่ตื่นเมื่อมันจริงก็มันไม่ใื่ตื่นเต้นไม่ตกใจเชื่อใจถ้าจิตมันลงเลยพิจารณาแาบนั้นแล้วต้องได้หลักได้ฐานฐานจิตใจ แล้วก้าวหน้าไปเรื่อยๆเมื่อ ม, มีหลักเกณฑ์แล้วมันต้องมีความอาดฐานร่าเริงขมักขมันเข้มแข็งต่อความภาคความเปลียนเอาที่เอาให้เห็นที่ของจริง น, นี่อยู่กับทุกคนเนี่ยเราไม่จะเป็นคนอาภัพนอกจากความขี้เกียจมันทําให้เราอาภัพสมาธิมันก็ไม่ปรากฏเพราะความขี้เกียจเห ย, ยียบย่ำทําลายวายทำลา ย, ามลายสมาธิเกิดไม่ได้สังสม ความขยันมันเพี้ยนขึ้นมาความหนักเอาเบาสู้เป็นก็เป็นตาก็ตายคาดเข้าไปอดูดิสมาธิมันจะทนได้หรือจะเป็นสมาธิประเภทใดขอให้รู้กับใจเราเกิดย่าไปคาดไปหมายมา่ะเรื่องจิตสงบสงบแบบไหนอันจะรู้ในตัวของเราเองหรือความคาดหมายไม่เกิดประโยชน์แต่สิ่งที่ประจักษ์กับตนด้วยความเพียรต้งตนซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดสมาธินี้เราจะรู้เองทั้งตัวเหตุคือการดาเนินทั้งผลที่ประจกักษ์ในเวลานั้นสงบแบบไหนมั่งอะมันรู้ได้ชัด ไม่ต้องถามใครอรนี้สัยเราเป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้พอใจกับความเป็นอย่างนี้ของเรามันรู้นี้คือจิตเป็นสมาธิของเราเป็นอย่างนี้เองตาม น, นี้ของเรานานั่นก็เล่นก็ไปเล่นก็ไปนาในที่มันเป็นค่าศิษต่อธรรมให้รีบสละปัดปทิ้งยาเป็เสียดายจ้าชื่อ ว, ว่าเป็นนักต่อสู้ เ, าเราเป็นพูรากเป็นผู้สมวนจิตใจคือสมวนธรรมนั่นเอ เอาให้ดีเอาให้จินจังตั้งใจประพฤตปฏิบัติอาจจะทรงมากทรงผล mm hmm. เวลาตายก็ให้ตายอย่างแบบสง่าผ่าเผยแบบไม่ขาดทุนศูนดอกไปไหนไม่มีแต่เรื่องร่างกายชลายลงไปธรรมดาจิตใจที่สลัดปัดทิ้งสุกถิ่นทุกอย่างตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วจะพักห่วง อ, ไอะไรอา น, นาลโยสักีเออหายห่วงสักทีสัปปะฏิเสือ่อสนมมิาน ยังต้องรับผิดชอบในขันหยุดหลุดพ้นแล้วก็ยังต้องรับผิดชอบพาอยู่พากินพาหลับพานอนพายืนพาเดินพาขับพาถ่ายยุ่งถึงแต่เรื่องถ่ายเรื่องขันอยู่ตลอดเวลาแม้จิตใจจะมายึดมั่นถือมั่นแต่ความรับผิดชอบซึ่งเป็นสัมผัสสัญญาณของจิตที่มีอยู่ด้วยกันระหว่างการรับผิดมันก็ต้องในปฏิบัติไปอย่างนั้นแหละพอมันถึงการของมันแล้ ว, วก็สลัดทั่วลงไปเลยเออสบายเสียที เห็ตั้งแต่นี้ต่อไปอนุปาพิเศษสนิสทานเป็นอันว่าสิ้นกันกับเรื่องสมมุติตั้งแต่บัดนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเรื่องทักษะฐานที่ร่ำเวลาอากาลิโกฟังแต่ว่ามันเป็นอากาลิกะจิตอากาลิกะธรรม ก, ก็หมายถึงใจที่บริสุทธิ์นั่นหองเอาละเอางี้ก่อนท่านปัญญาที่บ่านมาคุณรู้อะไรรู้สิบคนบางคนมันแล่ง ไีนั่ด no no oh, oh, hmm. oh, no ้มานด้าไหเพอนด้มาไหนหนีกันของมขนาดนั้นพอดีเฮ้ไม่ได้เลยไม่เราไปหาเลยเพราะเราไปหามาไดจริงๆตั้หามาไม่ได้เราก็จะดุทำไมไปหาัมภีรมาทไมเเจะอาอ่านีมคนได้ฟัขึ้นหน่อยเพราะเราด่าคนไม่ได้โกรธมันก็สนุกด่าเร ถ้าเรามีโกรธเราจะไปด่านะอครับด่าคนไม่โกรธไม่นสนุกดา่าว่าคนไม่ไม่โกรธไม่สนุกว่าอือว่าไปเลยโกรธเนี่ยไม่ว่าหรืเรนเนี่ยเพราะฉนั้นสนุกว่าอาจะจะย่าง เ, เ, เต็มเหนียวเลยว่าแล้วหายเงี้ยไปเล ย, ยไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ถ้าจะพูดอะไรมาว่าใครแล้วไม่นีเขาไปแล้วผิดใจเขาด ไม่ไหลบใจนั้นยาไปว่ากนี่ผมเอาที่เลสเราไปขายที่เลสหรือไปสู้ี่เลสแค่ไรเหระถ้าเป็นธรรมล้วเอาเธอเขาที่ว่ามาดิแม่มาก็สบายธรรมดามันก็ปากเขาหนุนมาดิแม่ในปากเขาหนุนมันด้อยู่ในเรานี่นยนะอันนี้อะไรเรียนให้มันถึงที่เรียนทำถ้ามันถึงจริงนั้นมันเป็นนั่นงหละ คำเฉยและเฉมันมีน้ำหนักเท่ากาันเท่ากับโทษก็โทษเท่ากันคุณก็คุณเท่ากันถ้ า, าเราไปแยกเป็นคุณมันไม่มีอะไรเลยอะไรโดยอะไรมันไม่ค้างผ่านไปได้ทั้งนั้นะผ่านไปหลักธรรมชาตมันเองม่ต้องมามัดระวังเราะนั้นเราพูดอะไรก็ตามเราพูดพูดตามหลักธรรมทั้งนั้น มันจะดูดังจีนยาของโลกสุดท้ายกันแล้วก็ดูได้สบายๆเพราะเราไม่โกรธเนี่ยแล้เทจะเอาบางหนังกะไฝักขวดขวดขวดขวดเลยเหไม่เท็บเทบตรจงแต่ว่าเอาเน็ตหนักๆราวคนของท่านท่านเทดูท่านเป็นดูให้ใครมาท่นก็มีเปนบ้า แั่ลตไม่กลัวไม่ต้องปราบพ่เลตไปกินอาหารพวกนี้อันนี้มลพระกรรมฐ า, านมาเป็นแถวทีหนึ่งเหมือนกันเลยฉันนะเอ้ลืมจ้างอะไรน้าผมลืมยันไะถ้าก็ดีนะ ว่าอยากคุมก็อยากแต่ความอยากนี่มันมันไม่เท่าความอยากที่ท่านกำลังจะแสดงออกไปนะซึ่งเขาจะจะเป็นการขายที่ยากมาทานเขาไม่ให้เป่าหมว่ลูกเขาให้ดึงรังไหล่เข้ามานี่แท่นี่เขาให้เป่าหัวลูกเให้ที่ขเขาก็อยากเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์ไหนนะ้าผมลืมจ้ากําลังจะกระเดียบ ไ, ไปเป่าดับเสงขุดเข้ามา เดือดนังเฉยนั่นเอานั่นอะผมเวลาจะออกามันขายหนักมาฐานหมดไหมเหมอเวลาจะเด็ดก็เด็ดดีนะผมจะมาอยากก็อยากแเจตนาของเรามุ่นอย่างนั้นรักษาใหญ่แม้จะเสียของก็ลบบ้างบางทียาแค่นี้ก็ตามแต่ส่วนใหญ่คุ้มค่ากันเราคิดเที่ยงไหวไหมเราไม่กล้าทำเมอนาเพราะอาุพรรษามากน้อกปรามถ้าว่าผิดหลักทำหลักด้วยไหนนะผมใส่เที่ยงได้ทั้งนันไม่ต้อรบกาน อ้าวทำเหนือคนคนนี้น่ะเหนือพระองค์นี้น่ะทําไมเราจะพูดเรื่องอัดเรื่องทำต่อพระองค์นี้ไม่ได้เนี่ยเอาเป็นคนนี้ น, น, นะอะไรจะเหนือทำนีแล้วยกทำยกยิ่งนายนมาพูดคือไปตรงไหนคนพูดต้องการทำความจริงต้องการทำดรวยความจริงแล้วจะมาถือกันได้หรือไง ก็ถือเคติที่สุดว่าแหงดิทางเที่เราไม่มีใครกล้าดุดคนเท่ <c oughs> <c oughs> แต่ผมเอาไว้ไม่ว่านะคนเหมือนกันไม่มีที่ไหนที่ไหนหละถักขวางกับทมแล้วกับเป็นทะโลกไปเลยถ้าต้องการผลกันถ้าไม่ต้องการผลก็เฉยเฉีย เพราะเราไม่ไปสัเนเดียวคมเดียวนี่มันต้องมีหลายสันหลายคมเลยกับโลกทีนมีร้อยสันพันคนมเมื่อถึงการที่จะใช้สันใดคมใดแล้วเราต้องขึงแต่สันนั้นคมนั้นเลย